حمد لله رب العالمين و به ن س ت ع ي ل ح ل و ل كوة إ لا ب الله العلي ن ظ ي م أما بع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติความจำเริญจากอกอัลลอฮฺ سبحانه وتعالى ประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับฮัมดุริลลนะพี่น้องที่ติดตามรายการเสียงอิสลามทุกๆท่านนะครับในทุกๆช่องทางที่พี่น้องนั้นได้มีโอกาสแล้วก็ติดตามอยู่นะครับก็ อยากให้เราทุกคนได้ใช้ช่วงเวลานในการที่จะได้ติดตามในเนื้อหาสาระเรื่องวิชาการทางด้านศาสนาในหัวข้อต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนใช้ช่วงโอกาสและความสามารถของเรานะครับซึ่งเราอยู่ในยุค ข, ของ AI แล้วนะครับไม่ใช่อีทอย่างเดียวนะครับเพื่อให้เราได้รู้ว่าเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องและเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับพี่น้อง ฟังอยู่ที่ใดชมอยู่ที่ใดนะครับก็อย่าลืมช่วยกันส่งต่อและบอกต่อนะครับเนื่องจากาการเผยแพร่ศาสนาการบอกกล่าวในเรื่องเราศาสนานะครับไม่ใช่เพียงแค่บอกและจบกันแต่นั่นหมายความว่าเราเริ่มต้นในการสร้างยาริยะให้กับตัวเราเองด้วยนะครับครับพี่น้องครับเรื่องของตัฟซีตอัลกุรอานหรือการศรึกษาอัลกุรอานนะครับเราพยายามที่จะให้มุมมอง และก็คิดให้เราทุกคนได้ตรานักถึงความสำคัญของอัลกุรอานและนี่คือช่วงเวลาที่เราจะทามามาทำความเข้าใจอัลกุรอานร่วมกันชาวล้านนะครับนั่นก็คือว่ากรุรอานที่ถูกประทานลงมาให้กับพวกเราในยุคสุดท้ายนี้ผ่านท่านนาบีมุฮัมมัด ล, ลลัลฮุวาลัยฮิวะซัลลมัมเป็นธรรมนูญเป็นทางรอดและเป็นทางนำของมวลมนุษยชาต เมื่อเราเข้าใจจุดนี้เมื่อเราไดเา้เขาเรียกศึกษาเรียนรู้แล้วมองเป็นภาพรวมใหญ่ๆนะครับสามประเด็นนี้มันพอเพียงแล้วะครับที่เราจะต้องบริหารจัด ก, การเวลาของเราที่เหลืออยู่ว่าจะทำอย่างไรให้คุรา น, นั้นได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการใช้ชีวิตรายวันของพวกเราทั้งหลายที่บอกอย่างนี้เนี่ยเพื่อเพื่อที่ให้เราได้ตระหนักนะครับว่า แต่ละคนผมเชื่อแล้วเกินนะครับว่าเรามีเวลาของอาหารเช้าเรามีเวลาของอาหารกลางวันมีเวลาของอาหารเย็นมีเวลาทานยามีเวลาเาเรียกฟนะมิลี่ a ดนะมิคือเวลาต่างๆเรามีหมดเลยเราตั้งนะวันนี้ยังไม่เกิดก็เรามองวางแผนไว้แต่กรุรอานที่ถูกประทานมาเมื่อพันสี่ร้อกว่าปีและแน่นอนกรุรอานคือทางนําไม่ใช่เฉพาะยุคนี้นะครับมาตั้งแต่ยุค ที่ถูกประทานลงมาแล้วนะครับกุร์านเป็นสิ่งที่จะนำพาคนคนหนึ่งและมนุษย์คนหนึ่งนั้นได้เข้าใจและรอดพ้นจากการยุแยงของัยตอนนะครับดังนั้นเราก็ต้องพยายามศึกษาเรียนรู้อัลกุรรานนะครับครับพี่น้องครับเรายังอยู่ในซุรออันกบุษนะครับวันนี้เป็นอายะที่4ติดตามต่อเนื่องครับเราจะได้ทราบนะครับว่ากุร์านบอกและสอนอะไรกับเราอย่ามองกุร์รานเป็นเพียงแค่ พูดถึงเรื่องในอดีตพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์พูดถึงเรื่องนูง้นเรื่องนี้ซึ่งไม่เกี่ยวกับเราเราเป็นบุคคลที่อยู่ในยุคการแข่งขันการาต่อสู้ในเรื่องของอวัตถุนิยมในเรื่องของไอทีในเรื่องของ AI อย่าคิดอย่างนั้นเด็ดขาดเพราะกุรอานไม่ใช่ล้าหลังนะครับพูดกรุรอานนี้ทันสมัยและล้ำสมัยนะครับ มันอยู่ที่เราเท่านั้นเองจะศึกษารายละเอียดของอภวรานไปถึงแค่ไหนอย่างไรนะครับในอายะที่สอัลลอฮฺสุบฮานาหูอัตลาได้บอกว่าอัมฮะซิบัลละดีนายามาลูนัสยีแอติอัยสบิกูนะเทาความนิดหนึ่งในตอนที่แล้วนะครับนะที่อัลลอฮฺสุบฮานาหูอัตลาได้บอกนะครับว่าพระองค์ได้ทดสอบกลุ่มชนก่อนหน้าพวกท่านก่อนหน้าพวกเขาก่อนหน้าเราทุกคนเนี่ยก่อนคนก่อนหน้าถูกทดสอบหมดไม่ยกเว้นนะ ไม่ยกเว้นนะและแน่นอนจะได้แยกแยะว่าใครที่เป็นผู้ที่พูดจริงหมายถึงกล่าวคําว่าศรัทธาหรือเป็นผู้ที่ศรัทธาที่แท้จริงหรือศรัทธาตอนที่เขาเได้รับผลประโยชน์ได้รับเนี่ยมดนะไม่ไม่ได้รับอะไรก็ที่เขาต้องการเนี่ยเขาเชื่อว่าเขาศรัทธ า, าแต่วันใดที่ถูกทดสอบกับกายเขาหน้ามือไปหลังมือดังนั้นนี่บททดสอบจริงมา เพื่อที่จะได้ให้เรารู้และเข้าใจนะครับว่าใครสัต์จริงและใครจะเป็นผู้ที่กล่าวเท็จกันแน่นะครับต่อมานะครับที่พระองค AH ์ a AH ล l a h Subhanahu Wa Taala ได้บอกนะครับบอกว่าอับฮาซิบัลละดีในอัมาลูนั้นเซยิแอตีไอยาสบิกูนะหรือบรรดาผู้ที่ทําความชั่วร้ายทั้งหลายสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยหรือพวกเขาทั้งหลายเนี่ยทำไมครับคิดว่าพวกเขาจะรอดพ้น จากการลงโทษของอัลลอฮ์กันนั้นหรือหรือพวกเขาคิดอย่างนี้นะคิดว่าชีวิตนี้คงไม่มีอะไรตายแล้วก็ตายเลยชีวิตหน้าเกิดมาเมื่อชีวิตนี้ดีชีวิตหน้าก็ต้องดีด้วยคิดอย่างนั้นเหรอ<ม>เห็นไหมฮะเป็นความคิดอย่างนี้เพื่ออัลลอฮ์บอกพวกเราทั้งหลายให้คิดให้ลองลองลองาเรียกลงทบทวนและลองตระหนักดูซิว่าเป็นจริงเหรออย่างนั้นจริงเหรอนะครับเหมือนวันนี้ถ้าเราเปรียบเทียบ ถ้าเราเปรียบเทียบนะถ้าต้นตระกูลเนี่ยเป็นผู้ที่มี إ ي م านใช่วา่าถัดมาจะมี إ ي م านที่ไหนล่ะถ้าเป็นผู้รู้นะและลูกหลานจะเป็นผู้รู้ตามนี้จริงเหรอถ้าปราศจากการศึกษาการหมั่นเพียรพยายามจะเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นเราจรึงจะเห็นว่าสิ่งที่ บรรดามนุษย์ชาติและบรรดาผู้ที่ปฏิเสธส่วนใหญ่ในอดีตเนี่ยนะมักจะคิดว่าเมื่อวันนี้เขาได้อำนาจได้การเงินได้ตำแหน่งวันที่เขาถ้าจะบอกว่ามีการฟื้นคืนชีพนะเขาก็ฟื้นคืนชีพมาเป็นบุคคลที่ดีกว่าเดิมเนี่ยนะเป็นเขาเล็กพูดเข้าข้างตัวเองจริงหรือไม่ก็ไม่มีหลักฐานในการบอกแต่เพราะเขามีอำนาจเขามีเงิน เขามีพวกพ้องคนจึงเชื่อเฮโรตามกันไป ท, ทั้งทั้งที่หลักฐานก็ไม่มีการยืนยันจากไหนก็ไม่มาแต่อัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาบอกให้เราทุกคนได้คิดจากอายะห์นี้บอกว่าอัมฮาซิบัลละดีนยาอัมรุนไซยะตบรรดาพู้ที่ทำชั่วทั้งหลายเขาคิดว่าเขาจะรอดพ้นเหรอรอดพ้นจากการลงโทษของอัลลอ์สุบฮานหัวตาลากันนั้นหรือ รอดพ้นจากสัญญาต่างๆที่พระองค์ได้บอกเอาไว้ว่าถ้าทําอย่างนี้จะเจออะไรจะเจออะไรคิดว่าพวกเขาจะรอดกันนั้นหรือซาอามายะกูมูนพระองค์ก็ได้ทิ้งท้ายไว้ในอายะนี้ที่บอกว่ามันน่าอานาถนะมันความเขาเรียกความชั่วช้าของการคิดการตัดสินอย่างเนี้มันเป็นอะไรที่เขาเรียกไม่ยุติธรรมหรือไม่เป็นธรรม เป็นความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นในความคิดและไม่ใช่แค่คนเดียวเพราะเวลาคิดอย่างนี้มันส่งต่อให้กับคนที่รับทราบรับฟังและก็จะเรียนแบบตามเขาก็คือไม่สนใจในเรื่องของคาตักเตือนไม่สนใจในเรื่องของศาสนาไม่สนใจในเรื่องของสิ่งที่บรรดารอซูนได้นํามาดังนั้นพี่น้องครับวันนี้เนี่ยอาย่านี่บอกอะไรกับเราไม่ใช่ความรู้สึกและการคิดอย่างนี้เกิดขึ้นในอดีตอย่างเดียวนะครับ วันนี้เกิดขึ้นในยุคเราและมันจะเกิดขึ้นในยุคต่อๆไปถึงวันกิยามะอายานี้จึงต้องเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกกับพวกเราทั้งหลายว่าอย่าอย่าได้คิดอย่าได้ตรหนักว่าเราจะรอดพน้นอย่าแต่จงสำเน็จแลจะจ็สำนึกอย่างเสมอนะครับว่าทุกอย่างทุกอย่างที่เราทำจะเล็กจะใหญ่จะเราคิดว่าไม่เป็นไรทั้งหมดเหล่านี้ที่เราคิดรู้สึกเราเนี่ยนะครับจะต้องถูกนามา พิจารณาสอบสวนแล้วตัดสินดังอายะกรานอีกอายะหนึ่งที่ได้บอกว่าฝ่ายะมัยมิทควาลัสรัติใน خير ียะระว่าไม่ย่ำมิทควาลัสรัติในชั่รียะระใครก็ตามที่ได้ปฏิบัติความดีแม้เพียงเท่าผงชนในเรื่องความดีนะก็จะได้เห็นอายะกรานยกอย่างนี้เพื่อให้รู้ว่าไม่มีอะไรรอดไป และคนที่ทำชั่วยังจะคิดอีกหรือว่าเขาจะรอดพ้นจากการลงโทษด้วยอะไรล่ะครับรอดพ้นด้วยอะไรนะไม่มีใครถามคิดว่างรอดพน้นก็ไม่มีใครถามนะเพราะมันเป็นมันเป็นวลีกรรมมันเป็นคำพูดมันเป็นคำแบบเอาเอ า, เอาหาเอาสนุกสนานเอามวลชนไว้ก่อนโดยที่เขาไม่ได้คำนึงถึงสัจธรรมความเป็นจริงที่เกิดขึ้นดังนั้นนี่คือ เอ่อการตัดสินหรือการเข้าใจที่เขาเรียกผิดมหันและไปการบอกกล่าวให้คนได้ได้ได้ติดตามได้ปฏิบัติตามนะครับอย่างเขาเรียกว่าเป็นเอ่อความหายนะนะครับของคนที่ไม่ใช้สติปัญญาในการไตรตรองด้วย ดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องถึงบอกว่าทําไมต้องศึกษาอัลกุรอานอย่ามองแค่แปลแล้วจบพี่น้องครับอย่ามองแค่รู้ความหมายแล้วแค่นั้นเองไม่มันต้องรู้ว่านํามาใช้ในชีวิตนํามาเป็นข้อคิดนํามาในการดําเนินชีวิตอย่างไรนะครับดังนั้นจะสังเกตนะครับว่าถ้าเราเข้าใจในบริบทของอัลกุรอานเราจะรู้ว่าชีวิตที่เหลืออยู่ต้องทุ่มเทให้กับอะไรมากที่สุดอันดับหนึ่งก่อนรองลงมารองลงมารองลงมา แล้วเราก็จะเห็นนะขั้นตอนในการทํางาน24ชั่วโมงมีเท่ากันหมดเลยพี่น้องครับเท่ากันหมดเลยจะเป็นนักธุรกิจจะเป็นครูบาอาจารย์จะเป็นพ่อค้าแม่ขายจะเป็นเจ้าของนักธุรกิจออฟฟิศนะคนทํางานในโรงงานเหมือนกันหมดพี่น้องครับเหมือนกันหมดเลยบริหารยังไงใช้ไปยังไงตรงนี้ต่างหากครับถ้าเราไม่มีขั้นตอน ถ้าเราไม่มีขั้นตอนและไม่มีสเตตในการทำงานในการคิดนะครับแน่นอนครับถ้าเรื่องศาสนาถูกปิดไว้หรือยังไม่ได้คิดอันอื่นมันจะขึ้นมาแทนอันดับแรกและสองสามสุดท้ายกุรอานจะถูกไปไท้ท้าจนกระทั่งตกหลน่นตกออกหรือหลุดออกจากระบบการบริหารจัดการรายวันซึ่งมันเกิดขึ้นอยู่แล้วเห็นได้นะครับเราสัมผัสได้นะครับดังนั้นถึงบอกว่า ทำอย่างไรให้เราบริหารจัดการให้ได้อย่าบอกว่ามีเวลาอย่าบอกว่าไม่ถนัดอย่าบอกว่านูนาน่นแล้นี่เพราะอย่าลืมนะครับว่าถ้าไม่นําอัลกุรอานมาแล้วท่านจะนําอะไรมาในการใช้ชีวิตนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยครับในอดีกตก็แบบนี้แต่ที่เราแตกต่างเพราะเรามีอัลกุรอานเรามีอัลกุรอานไม่ใช่มีไว้ในบ้านแล้วในหิ่งนะเรามีไว้ในการดําเนินชีวิตและใช้ชีวิตครั้งหนึ่งท่านหญิงไอช่ระดีอัลเลาะหอันฮาถูกถาม เรื่องของอัคลักมารยาทถ้าอย่างนี้ไอ้เชาบอกว่ากุรอานนบีคือนบีอัคลักของท่านนาบีคือกุรอานเห็นไหมฮะนั่นหมายความว่ากําลังอนมอัลกุรอานมาสู่การปฏิบัตินะแต่เราจะเข้าใจวันนี้ไม่เข้าใจไม่เป็นไรพี่น้องศึกษาไปเรื่อยๆใช่ว่าจะวันเดียวแล้วเข้าใจแต่ที่ทําได้ก็คือนําอัลกุรอานมาอยู่ในระบบการดําเนินชีวิตนี่แหละครับเป็นสเต็ปแรกที่จะต้องทาและอยู่กับมันอย่างนี้ไปเรื่อยๆ แน่นอนครับฮีดายะจะเกิดขึ้นและมันจะทำให้เราเกิดข้อคิดมุมมองและทำผักดันตัวเองเข้าสู่การศึกษาเรียนรู้เรื่องของอัลกุรอานนะครับต่อมาครับในอายาถัดไปอัลลอฮฺสุบฮานาหูอัตาลาได้บอกว่ามันก้าในยัรยูหรือก็อัลลอ์ใครก็ตามอันนี้พุดหมดเลยใครก็ตามที่หวังนะครับที่ปรารถนา ที่จะพบกับอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาแปลว่าหวังจะพบกับอัลลอฮ์หมายถึงอะไรนะครับเราต้องดูถึงนัยยะอันนี้อันนี้ไม่ใช่แปลอย่างเดียวนะครับหมายถึงใครก็ตามที่หวังที่จะพบกับอัลลอฮ์พูดง่ายว่ามีอีมานมีการศรัทธาว่าวันหนึ่งเราต้องกลับหาอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาไม่ใช่เชื่อว่าความตายต้องมาทุกคนแหละ แล้วเราก็ทํำเฉยๆไม่เกิดอะไรขึ้นอันนี้ไม่ใช่นะคําว่าหวังตรงนี้หมายถึงยังไงเราก็ต้องตายแต่เราอยากจะตายแบบผู้ศรัทธาใครก็ตามที่มีความหวังจะพบอัลลอฮ์ในสถานะของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูอตะตาลาหวังที่จะเป็นบ่าวคนหนึ่งที่เมื่อจากโลกดุนยานี้ไปแล้วพบกับอัลลอฮ์ในสถานะของเป็นผู้ที่มีกาลิมะละอิลลาฮ์อิลล allah ไม่ใช่วาระสุดท้ายที่จะมาสอนมาบอกกันแค่เดียวแต่ชีวิตที่อัลลอ์ให้เวลาที่เหลืออยู่ของเราควรจะต้องมีการที่จะได้ปฏิบัติในเรื่องของคำสั่งใช้ในเรื่องของอามันอิบะดาในเรื่องของศาสนาไม่ใช่แค่เราคนเดียวต้องส่งต่อให้กับใครครับคนข้างๆไม่ว่าจะเป็นภรรยาเป็นสามีเป็นลูกเป็นพี่น้องเป็นพ่อแม่เป็นเพื่อนเป็นคนในสังคมและคนในทั่วประเทศและทั่วโลก เห็นมมันเป็นอะไรที่ค่อยๆกว้างไปเรื่อยๆจากจุดที่เราบอกว่าใครก็ตามที่หวังในการที่จะพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาละฟาอินน่อาลฮิลาแท้จริงอัลลอฮ์บอกไว้เลยครับว่าแท้จริงสัญญาของอัลลอฮ์หรือเวลาของอัลลอฮ์หรือการกำหนดของอัลลอฮ์ที่เราเรียกว่าอา ญ, ญนันเน่นะนะครับมันมาแน่นอนเห็นมมันมาแน่นอนวันนี้พี่น้องครับไม่มีใครปฏิเสธเลย ไม่ว่าจะศรัทธาต่อ Allah หรือไม่ก็ตามเขาหมายถึงมนุษย์ทุกคนรู้ว่าเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับเห็นไหมฮะแต่จะดับยังไงไอ้เกิดยังไงก็ว่ากันไปนะจะดับยังไงตั้งหากดังนั้นที่บอกว่าแท้จริงการกำหนดการหรืออา์ญญของอัลลอสุบฮานาหูวตาลานั้นมาแน่นอนอยู่แล้วดังนั้นไม่ต้องไปใส่ใจที่บอกว่าของของที่แน่นอนของที่ไม่แน่นอนนั้นมาแน่นอน ไอไอไอวัฒกรรมก็ว่ากันไปแต่ให้รู้ว่าเมื่อรู้ว่ามันมาแน่นอนคําถามคําถามหลังจากที่รู้ว่ามันจะมาแน่นอนเนี่ยเราจะเตรียมอะไรไปเราจะทําอะไรเพื่อ น, นั้นเราจะมีอะไรหลังจากที่ไอที่ไม่แน่นอนแล้วมันแน่นอนแล้วเนี่ยแปลว่าไม่แน่นอนจะมาเมื่อไร่แต่แท่นี้แน่นอนก็คือมาอ่าเราจะทําอะไรเราจะมีอะไรไปไปพบกับอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาไหม น้องครับไม่ใช่เพียงแค่ที่เราคิดไม่ใช่คิดว่าสิ่งที่เราทํามันมากพอนะครับเพราะอะไรครับเวลาเรื่องศาสนาเราคิดทํานิดเดียวเราสาวว่ายิ่งใหญ่เราสาวว่ยิ่งใหญ่ครับนมาศครบห้าเวลาสาวว่ามันหนักอึ้งและเขราะว่าเราทําภารกิจที่มหันมหาศาลแต่เวลาที่เหลืออยู่เนี่ยเราให้กับดุนยาโดยที่เราคิดว่ามันนิดเดียวเองเห็นไหมฮะ ความคิดจะแ ต, ตกต่างกันทันทียันคนที่มีความเขาเรียกปรารถนาและมีความมุ่งมั่นและมีความศรัทธาที่จะได้พบกับอัลลอฮ์มีการศรัทธาที่วันหนึ่งถ้าเราจากโลกดุนยานี้ไปเราต้องขับขึนสู่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูอัตตาลาอิมานอันนี้พี่น้องครับการศรัทธาอันนี้เนี่ยมันจะทําให้เรานั้นพิจารณาตัวเองแล้วบอกตัวเองว่าเราต้องเตรียมอะไรไป ก่อนที่อันยันอันนั้นที่แน่นอนจะมาถึงเราก่อนที่กําหนดการของแต่ละคนที่มีอยู่แล้วนะครับเลื่อนไม่ได้ปะวิงไม่ได้ให้เร็วกว่าเดิมก็ไม่ได้หลายคนเจอปัญหาแล้วอยากจะเขาเรียกอะไรนะสิ้นชีวิตไปอยากจะจากปัญหาต่างๆเหล่านี้ไปลืมนึกไปว่าเบื้องหลังปัญหานี้มีปัญหาที่ใหญ่กว่านี้อีกเยอะดังนั้นจะเตรียมอะไรไปเพื่อวันนั้น จะเตรียมอะไรไปเพื่อที่เราจะได้พบกับอัลลอสซุบฮานะฮุตาลาอย่างเต็มภาคภูมิเหมือนกับที่บอกว่าใครก็ตามที่หวังที่จะได้พบกับอัลลอสซุบฮานะฮุตาลาแน่นอนครับถ้าไม่อีมานไม่ศรัทธาไม่มีใครหวังจะพบแล้วครับเพราะเขาคิดว่าตายแล้วจบกันตายแล้วก็ล่องลอยอะไรที่ทแล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนนะครับไม่มีแก่นสารไม่มีหลักฐานไม่มีการศึกษาการเรียนรู้ ที่จะบอกว่าชีวิตหลังความตายคืออะไรแต่กุรานบอกให้เรารู้เป็นนัยยะที่บอกว่าผู้สร้างที่แท้จริงพระเจ้าที่แท้จริงได้บอกได้ให้ข้อคิดได้เตือนพวกเราทุกคนว่าถ้าหวังที่จะเจอก็ต้องเตรียมอะไรต้องทําอะไรเห็นหฮะในนี้ไม่ดีมีควาว่าต้องเตรียมและทำแต่คำว่าลีกอัลล์เนี่ยบอกเราทุกคนว่าเราจะต้องเตรียมอะไร วฮุวัซซามีอ้นอาลีมและพระองค์นะครับได้ทรงบอกว่าพระองค์ทรงได้ยินและทรงรับรู้นั่นหมายความท่านจะอยู่ที่ไหนท่านจะขอรูอาอย่างไรท่านจะทําอะไรพระองค์ทรงรู้การขอของผู้ศรัทธาพระองค์ทรงได้ยินไม่ต้องคิดว่าเราอยู่โดดเดี่ยวคนเดียวใครจะรู้ใครจะได้เห็นใครจะเห็นว่าเราลําบากแค่ไหนเราขออะไรไม่เลยพี่น้องครับอย่าไปใส่ใจอะไรที่สมองของมนุษยชาติคิดได้แค่นี้ครับ แต่อีมานของเรายังคงปักหลักอยู่ในหัวใจของเราและการปฏิบัติของเราเราจะได้เข้าใจนะครับว่าเรื่องของอีมานเรื่องของการปฏิบัตินะครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดเราทำอะไร เมื่อไรตอนไหนเวลาใดอัลลอฮ์ทรงได้ยินอัลลอฮ์ทรงรู้การขอดุอาและการปฏิบัติของเราดังนั้นอยู่ที่เราะครับว่าจะทำหรือไม่จะเข้าใจแค่ไหนอย่างไรนะครับเอาละครับพี่น้องวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับ salaam alaikum w a า a h m a t u